สถาบันพลังจิตตานุภาพรวมกับมูลนิธิหลวงพอ่อวิริยังสิดินโรเสนอการบรรยายหลักสูตรครูสมาธิโดยพระเทพเจติยาจารย์พระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสิรินโรตอนสมาธิเรื่องอาการของสมาธิก็คือว่าไม่อยากจะให้นักศึกษาครูสมาธิทุกคน ต้อง uh, ทำหน้าบึง <c oughs> อยากจะให้ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็อยากจะให้เป็นกันเองแล้วก็อยากจะให้ถือว่าหลวงพ่อคือครูบาอาจารย์และสามารถได้ถามกันได้แต่ว่า เวลาใต่ถามก็ต้องมีเวลาหน่อยถ้าหากว่าเวลาทำงานเวลาต้องการพับผ่อนก็ต้องให้โอกาสแต่อย่างไรก็ตามตามความต้องการแล้วอยากให้เป็นกันเองไม่ใช่ถือว่าหลวงพ่อใหญ่โตเกินไปที่จะเข้าพบไม่ได้ หรือว่าคุยกันไม่ได้หรือว่าเห็นหน้าก็กลัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือถือว่าในการที่เราจะสอนสมาธิกันเนี่ยจําจเป็นต้องมีการเกี่ยวข้องและเกี่ยวพันแต่ว่าในการเกี่ยวข้องเกี่ยวพันนั้นก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันในทางที่เหมาะสม ในฐานะที่หลวงพ่อเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาประกองรักษาวินัยและก็รักษาสิ่งที่เรียกว่กาเป็นพระโดยความสมบูรณ์ <c oughs> แต่นอกเหนือจากนั้นก็นถือว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งที่จะคอยแนะนำในเรื่องของสมาธิ ให้เข้าใจถึงที่ให้ได้ก็หลวงพ่อได้ตั้งความหวังแก่นักศึกษาทุกๆคนเพื่อที่จะได้รับเอาแนวข้อปฏิบัติเพราะว่าแนวข้อปฏิบัติอันนี้ได้รับการวิเคราะห์วิจารณ์และศึกษา มาเป็นเวลาตั้งแต่บวชสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบ้าจนกระทั่งถึงสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดก็ถือว่าเป็นระยะที่ได้ศึกษาเรื่องสมาธิเพราะว่าเวลาที่หลวงพ่อไปบวชเป็นเนน ก็ไม่ใช่จะบวชเป็นเนนเหมือนเนนอื่นๆเขาเล่นบ้างซนบ้างเราไม่เอาไหนบ้างเอาจริงบ้างไม่เอาจริงบ้างก็ลมละลายไปบวชมาด้วยกันวันเดียวกันนี้พระองค์ทั้หมดก็เหลือหลวงพ่อคนเดียวนอกนั้นก็สิ้นหมดเพราะจากนั้น เวลาที่หลวงพ่อไปศึกษากับครูบาอาจารย์นั้นเนือวัดตั้ง อ, อกตั้งใจถามตั้ง อ, อกตั้งใจที่จะดูสังเกตตั้ง อ, อกตั้งใจที่จะทำความเข้าใจนะบางสิ่งบางอย่างเราไม่ยอมเชื่อพระอาจารย์เราก็ไปเปิดตำราเองเมื่อไปเปิดตำรา เราก็แน่ใจว่าพระอาจารย์พูดถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในกรณีที่มีหลักสูตรขึ้นมานี่จึง เ, เป็นกรณีที่มีความสำคัญยิ่งราะได้วิเคราะห์มานตามความเป็นจริงและตามตำรักตำลามาอย่าง เป็นตวอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ได้มาเรียนกันนั้นเป็น ถ, ถือว่าเป็นโชคดีที่สุดและเข้าใจว่าจะเข้าใจดีได้ด้วยและเมื่อมาถึงวันนี้ก็เราคงจะเห็นได้ ว, ว่าข้อที่แปดอาการสมาธิอันนี้ มันเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กเราอาจจะมองดูว่านี่คืออาการมันไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะฉะนั้นจะต้องทำมาร์คหรือเวชชิ <c oughs> มาร์คมาไวให้ดีที <c oughs> นี้ก็อยากจะกล่าวถึงข้ออุปมาอุปไมยหรือเปรียบเทียบ อย่างเราเปเรียบเทียบอย่างหมอที่จะมาดูอาการคนไข้เราลองสังเกตดูวา่าถ้าหมอนั้นไม่ได้เรียนมาหรือไม่ได้ศึกษาวิชาการหมอมาเขาจะมาดูคนไข้ได้อย่างไร <pues> เวลานี้เขาเป็นอะไรก็ไม่รู้เสะเสพเอาอะไรไปให้เขากินเขาตายไปเลยอย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าในขณะที่เราจะสอนสมาธิใครสักคนเย่างนียเราจะต้องรู้จักอาการอย่างนั้นอ่ะมันคืออะไรเมื่อมันถูกเราสนับสนุนเมื่อมันผิดเราเตือนต้องมีความกล้าหาญเมื่อมันถูกบอกว่าทำไปเลยเมื่อมันผิดอย่าทำ เรเรียกว่าเมื่อมันมาถึงขั้นเป็นโรคอย่างเนี้ยอย่างนิวเนียอย่างเนี้ยแออย่าอาบน้ำนะเราก็ต้องบอกถ้าถึงนะอาบน้ำตายเราพูดไว้อย่างนั้นมันก็มีอ่ะเฮ้ยเราไม่อาบเราเอาน้ำ ม, มาเช็ดอยู่ที่จันทบุรี เขาบอกว่าเขาไม่ได้อาบเขาเอาผ้าเช็ดตัวเนี่ยมาเช็ดมาชุบน้ำถ้าเช็ดตัวชุบน้ำเนี่ยมันซึนนมซาบน้ำเท่าไหร่ความชื้นเปนเยอะก็มาปกที่หัวเพราะนั้นเป็นโรคยูเมเนียแล้วก็ตายอย่างนี้ตายเพราะผ้าเช็ดตัวผืนเดียวอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องของอาการเนี่ย มันมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าใจถึงว่าอาการของสมาธิที่ถูกและอาการสมาธิที่ผิดถ้าหากว่าเราจำไม่ได้เราก็เปิดตำราได้เข้าเขียนตาราไว้แล้วอย่างนี้อย่างว่าตั้งแต่ข้อที่หนึ่งจนกระทั่ง ถึงข้อที่สิบเอ็ดอันนี้ก็คือสิ่งที่สมาธิจะต้องเกิดใม่รู้ว่าใครจะทำสมาธิแบบไหนเนี่ยเจนรีว่าไปจากสิบเอ็ดข้อนี้ไม่ได้จะต้องผ่านสิบเอ็ดข้อนี้ทั้งหมดแต่เมื่อผ่านสิบเอ็ดข้อแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรกับในทั้งสิบเอ็ดข้อนี้ทีนี้ก็จะ ผู้ที่ฟัอีกว่าอาการของสมาธินั้นก็คงจะเป็นการเรียนให้เกิดความละเอียดเช่นเดียว ก, กันกับเขาที่เรียนหมอจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบข้อเท็จจริงนิฉะนั้นแล้วจะเกิดความผิดพลาดเช่นอย่างอาการต่างๆเหมือนเข้าทรงหรือเหมือนล่องรอยไปในอากาศ แล้วก็เข้าใจว่าเทพองนั้นองนี้มาเข้าแท้จริงไม่ใช่นั่นเป็นเพียงนิมิตที่ร่องรอยก็เข้าใจว่าสัมเด็จฌานนั้นฌานนี้ที่จริงไม่ใช่ก็เป็นเพียงนิมิตเพราะฉะนั้นอาการเหล่านี้ก็ต้องเชื่อถึงความแน่นอนของท่านผู้รู้ที่เขารู้จริงมาก่อนว่านั่นคืออะไร แม้นคนต้องการรักษาไข้ไม่เข้าใจหรือเข้าใจงงงวยปลาขอความเห็นว่านี่คือไข้หวัดธรรมดาแต่ที่ไหนได้เป็นยูโมเนียปอดบวมให้ยาผิดคนตายหรือเป็นไข้เลือดออกไม่พูดไข้หวัดธรรมดารักษาผิดเพระเดาเอาคนไข้ตายนี่คือความผิดที่ใหญ่หลวง ความรู้สึกในผวังตัวลอยเทกนนเทกนี้มาเข้าก็หมายความว่าลยเถิดไปเพราะเวลาจิตเข้าผวังนั้นความนนนาวของจิตเป็นสิ่งที่ตามได้ทุกวิถีทางเพราะขณะจิตเข้าผวังนั้นไม่ได้เป็นตัวของตัวเองดังนั้นสื่อคืออารมณ์ จะเป็นผู้จีนะเมื่อเป็นเช่นนั้นกิริยาการต่างๆก็จะเป็นไปในทํานองที่อารมณ์จังในเมื่อจิตเข้าสู่พวังก็มารู้สึกตัวเอาทีหลังแบบว่าตัวเองไม่ทราบว่าทำอะไรไปข้อนี้ก็มีการอธิบายได้ว่าเมื่อมโนภาพของคน รรที่ถูกทาอุปสองค์อุปสงค์ก็คือสิ่งที่ทําอยู่แล้วทําอยู่อีกด้ยกวยความต้องการความต้องการบางคนเนี่ยต้องการจะเข้าส่งต้องการจะเข้าอะไรอะไรก็สุดแล้วแต่อุปสงค์มีอยู่ในใจเยอะมากมายหลายกองอุปสงค์นั้นอาจจะเป็นทา ว, วลีวัละอุปสงค์นั้นอาจจะเป็นอ จะแม้กวรทิมอุปสงค์นั้นอาจจะเป็นอะไรก็รุ่สุดแลแต่มันเยอะเมื่อทำอุปสองค์อะไรขึ้นมาอุปสงส์นั้นจะปรากฏออกมาเป็นในพระวังทีนี้ในอุปสงค์เหล่านั้นน่ะ <Yes. S 2> ในพระวังเหล่านั้นน่ะมันก็จะเกิดในสิ่งที่บางทีก็รู้รู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้ ทายบางทีก็ถูกบางทีก็ผิดนะแต่การทายอะไรต่างๆที่บางทีถูกบางทีผิดคนก็ชอบไปดูกันพอไปดูเสร็จแล้วเอากลับคืนมาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็เกิดความเชื่อถืออันนี้เป็นตน้นอันนี้ไม่ได้กล่าวตำหนิผู้ที่เข้าสมท้องหลายแต่ว่าที่อธิบายมานี่ต้องการให้ทราบถึงข้อเท็จจริง ชื่อว่าอารมณ์สั่งอารมณ์นั้นเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ในเมื่อเวลาที่จิตทฝ้ารวังอารมณ์จะเป็นผู้ทําหน้าที่คือว่าสตินั้นอ่ะมันหายไปหมดแล้วก็เหลือแต่อารมณ์เนี่ยจะเป็นผู้ทําหน้าที่อารมณ์ทําหน้าที่นั้นอารมณ์จะเป็นผู้สัง่งทีนี้อารมณ์มาจากไหนอารมณ์มาจากอุปสงค์ จิต่อจิของคนเนี่ยได้สร้างภาพขึ้นมาสร้างภาพขึ้นมาเยอะมากแล้านนี้อารมณ์ก็จะต้องนําภาพเหล่านั้นออกมา ส, าสาั่งเมื่อสั่งจินนี้มันก็ออกปากพูดไปแล้วคนที่พูดนั้นน่ะมารู้ตัวเอาตอนที่ออกหยาบระวังแล้วไม่รู้ตัวพูดอะไรไปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือคืออธิบายให้เข้าใจว่า เมื่อเวลาที่ความผูกอารมณ์สั่งเนี่ยมันก็จะไปร่างกายก็จะไปเพราะว่าในขณะนั้นสติไม่มีและในขณะนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะทรงตัวได้แล้วเพราะว่าสติมันหมดไปแล้วกายมันก็จะสั่นไปตามเรื่องอเคยเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้ชายหรือจะเป็นอะไรก็สุดยอดแต่ อันนี้นั่นคือ อ, อ, อารมณ์สั่งอย่างการสัน่นหรือการอะไรนี่อารมณ์สั่ยั้งไม่อยู่ไอ้ที่เรายังอยู่ในเวลานี้เราพูดได้เรามีสติเราคุยได้นี่เพราะความมีสติเราก็พูดกับคนนั้นได้พูดกับคนนี้ได้รู้จักกันโต้อตอบกันได้อย่างนี้เขาเรีย ก, กว่ามีสติ แต่ในเมื่อจิตเข้าสู่ภวังแล้วสติน่ามันจะหายไปแล้วเข้าไปสู่อาทิสมานกายเมื่อเข้าไปสู่อทิสมานกายสติไม่มีมันก็จะต้องถูกอารมณ์สั่อถูกอารมณ์สั่งก็ไปตามอารมณ์ไปตามตามอันนี้อันนี้อธิบายโดยตามข้อเท็จจริงแล้วก็เข้าใจเอาว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ในกรณีเช่นนี้ ย่อมเป็นอาการที่จะต้องทราบถึงเรื่องสมาธิเพราะเมื่อศึกษาอาการอย่างนี้เข้าจึงรู้ก็เช็จจริงว่าในอาการของจิตอย่างนี้คืออะไรเราเรียกว่าเป็นคณิกสมาธิเราจะเอาผลประโยชน์จากอาการนี้ให้บังเกิดขึ้นถึงพลังจิตเพื่อความเกรงของจิตที่เราจะเอาประโยชน์อย่างแท้จริงคือว่าเมื่อ มาถึงขั้นนี้เราก็จะต้องรู้ว่าในการทําสมาธิเนี่ยจุดประสงค์คืออะไรก็คือพลังจิตเราไม่ได้จุดประสงค์ที่จะไปทํำให้ใหอารมณ์มันสั่งแบบนั้นแล้วก็เป็นกิริยาอาการตามอารมณ์สั่งถ้าหากว่เป็นไปตามกิริยาอารมณ์สั่งเหล่านั้นนั้นมันไม่ได้พลังจิตอันใดในขณะ น, นั้นเรียวกว่า ไม่ได้พลรรังจิตเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงบอกว่าทำยังไงยังไงก็พยายามอย่าให้ขาบผู้วางเร็วนักเพราะว่าข้าผู้วางไปแล้วมันสลายไปแล้วเราจะต้องอพยายามที่จะรักษาสติของเราไว้จนกระทั่งพอได้จังหวะอาจจะข้าผู้วังไปเราก็ไม่ว่ากันพับพระวางนั้น ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ดีที่ว่าเราจะทำให้เราเกิดความจำนานขึ้นทีนี้เราก็ไปพูดกันถึงอาการเลยทีนี้อา <c oughs> การข้อที่หนึ่งคืออารมณ์ในได้กำหนดพุทโธเป็นต้นกาหนดพุทโธถือว่าเป็นอารมณ์และเป็นอารมณ์ที่ถูกต้องเพราะอารมณ์นี้หมายความว่าอารมณ์นี้ได้หมายความว่า ผู้รู้พุทโธปแปล ว, ว่าผู้รู้ดังนั้นอารมณ์เมื่อบริกรรมอารมณ์อื่นๆจะอยู่ไม่ได้เพราะอารมณ์อื่นๆนั้นจะไม่มีกำลังเหนือพุทโธไปได้จึงต้องพ่ายแพ้แก่พุทโธจนในที่สุดเหนือแต่พุทโธเราเรียกอาการนี้ว่าเอกคตารมณ์อย่างนี้จึงถือว่าเป็นการนิ่งด้วยอานุภาพอารมณ์ที่นิพุทโธ ในเมื่อในเมื่อทำอย่างนี้ถือว่าเป็นความถูกต้องอันนี้ความถูกต้องเนี่ยเราก็ได้รับการอธิบายมามากมายแล้วคนจะพอเข้าใจทีนี้ต่อไปก็คือชาวณนะจิตข้อที่สองความรบพวนเดินจากจิตเรียกว่ากระแ ส, จ, ะส จ, จิตกระแสจิตจิงแกรงอารมณ์ต่างๆให้เข้ารูปเข้ารอย ด้วยกำลังจิตมีเพิ่มขึ้นชวนะจิตจริงร่องรอยเข้าสวมตัวองคุโธคทำความรุ่นวายกลับเป็นความสงบเย็นชวนะจิตจะเกิดสิ่งที่สมาธิต้ตองการชาวนะจิตกับตัวผู้รู้จะเดินเข้าสู่กันเองอย่างเช่นคนคิดแก้เคลื่อนยนต์ตรงไหนติดขัดชาวนะจิต จะเข้าไปช่วยแก้ไขจนสำเร็จคนที่แก้เครื่องยนต์เนี่ยเรารู้ว่าคาบูเรเตอร์มันมีไอ้ผงในี่ไปอุดเมื่อผงเข้าไปอุดแล้วทำยังไงมันก็ไม่หายนอกจากว่าล้างผงนั้นออกไปน้ำมันหนึ่งอันนี้คือชาวนะชาวนะจิตทีกเข้าไปแก้เช่นเดียวกันกันกบว่าเมื่อเวลาเรานึกพุโทโธ ชาวนาจิตจะเล่นพอเล่นไปแล้วก็ตามแก้คือเราไม่ต้องทำอะไรเราตั้งสติอย่างเดียวเราต้องสติอย่างเดียวเนี่ยกระแสเนี่ยมันจะเข้าไปแก้เตงไปแก้เองจนกระทั่งในที่สุดมันก็เกิด ค, ความลดระดับของอารมณ์จนน้อยจระน้อยจระน้อยลนั่นแสดงว่าชาวนาจิตได้เข้าไปแก้แล้วต่อมาเป็นข้อที่สาม พิจิตรนั้นเกิดขึ้นจากชาวนาจิตที่แก้ไขสาเร็จแล้วด้วยความดีใจที่บุคคลแก้เครื่องยนต์สาเร็จเช่นเดียว ก, กันกับจิตของผู้ที่ทำสมาธิแก้ไขอารมณ์จนเชื่องอยู่กับที่ก็เกิดความสุขของสมาธิขึ้นอย่างประหลาดเนื่องจากมีการเดินในทางที่ถูกต้องในทางที่ถูกพร้อมทั้งถูกจังหวะเพราะการเดิน หรือทำสมาธิก็ต้องอาศัยจังหวะดังนั้นปิติความเพลิดเพลินหรือความอิ่มอกอิ่มใจในกิริยาอาการให้ต้องทำสมาธิจึงเกิดขึ้นและเกิดขึ้นตามลำดับเมื่อมาถึงปิติถือว่าอย้ยางคนเด็กเขาไอ้สตาร์ทเครื่องยนต์นมันไม่ติดเพราะน้ำมันมันไปไม่ได้เออผมไปเอ คาคาบอรเรเตอร์อยู่มันไปไม่ได้ไปไม่ได้ชัวนจิตนี่มันเลื่อนไปก็รู้รู้ก็ไปแก้ตรงคาเบอรเรเตอร์พอแก้คาบอรเรเตอร์เสร็จเอาเกียร์ของออกเสร็จน้ํามันไหลสตาร์ทเครื่องติดแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นพุทธโธเมื่อเราบริกรรมลงไปแล้วเนี่ยมันจะระดับอาการมันลงไปว่าจิตนี้ได้แก้ไขสําเร็จแล้ว เราอย่าไปเข้าใจและอย่าไปตำหนิตัวเองว่าทาสมาี่ไม่เคยได้อะไรที่จริงแล้วมันได้อยู่เนี่ยเพราะมันลดระดับอารมณ์ลงตามลําดับหลวงพ่อคิดว่าทุกคนได้ลดอารมณ์ลงตามลําดับแล้วนิฉะนั้นเรานั่งไม่ได้หรอกสามสิบนาทีนี่ถ้าถ้าลดอารมณ์ลงไม่ได้เนี่ยนั่งสามสิบนาทีแทบจะกระโดดอย่างนี้เป็นต้น แต่ว่าเราลดระดับลงไปได้แล้วเนี่ยอันนี้คือการลดลงมาอาการนั่นเนี่ยขึ้นมาทีนี้เมื่อมาถึงข้อที่สี่ความสุขเป็นกิริยาที่เกิดขึ้นจากปีติหรือความดีใจของการเดินหรือทำสมาธิที่เป็นผลเพราะผลสมาธินี้เราจะรู้เองเมื่อเป็นผลเช่นนี้ความสุขความสบายจะตามมาอย่างไม่รู้ตัว มันเป็นสิ่งแปลงเพราะเมื่อสมาธิเกิดความสุขแล้วความพอใจทั้งหลายจะพังรูเข้ามาสู่ใจของผู้ทำสมาธิอย่างมากที่สุดจะพันรนาหมายความว่าความสุ ข, ขนี้จะเกิดขึ้นคพอพอปฏิถานปิติแล้วเกิดความสุขเมื่อความสุขก็พราะอะไรความสุขเนี่ยเมื่อคนที่ าสามารถสตาร์เครื่องยนต์ติดแล้วเขาก็วิ่งไปต้องการไปเชียงใหม่ไปได้ตามความ ส, มสดะดวกถูกไหมครับมันเกิดความสุขขึ้นอันนั้นเพียงเป็นความสุขธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าหาก็เป็นสมาธิเมื่อมันลดระดับลงไปถึงขั้นนั้นได้แล้วเนี่ยมันจะเกิดความสุขที่เรียกว่าไม่รู้มาจากไหน เราไม่เคยเห็นก็เห็นไม่เคยรู้ก็รู้ไม่เคยสัมผัสก็สัมผัสมันมาจากไหนกันแน่ความสุขมันไม่ได้มาจากไหนไม่ได้มาจากจักรวาลไหนหรอมันมาจากจิตเอาบุคคลพวกนั้นได้ถูกชำระลงไปแล้วมีเรื่องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในข้อที่ห้าต่อไปอันที่จริงพอความสาเร็จงานเกิดขึ้นแกบุคคลผู้พบความสาเร็จเขาจะวาดภาพ ในกิจกรรมนั้นอย่างมโหฬารโดยความต้องการการก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ยงผู้ทาสมาธิทั้งหลายก็เช่นกันเมื่อเขาทำสำเร็จไปแต่ละขั้นแต่ละขั้นเขาจะวากภาพขึ้นเป็นมนโนภาพกันเกิดนิมิตมากมายจุดจริรณานนมิตรเหล่านี้คืออาการแห่งมนโนภาพเมื่อมาถึงข้อที่ห้าเราก็จะรู้ได้ว่า เมื่อความสุขกเกิดขึ้นแล้วอะไรมันเกิดขึ้นตามมาเมื่อความสุขกเกิดขึ้นแล้วนี่ความต้องการก้าวหน้าอยากจะให้ความสุขอันนี้มากมาย เ, เพิ่มขึ้นนี่อันนี้จะเป็นเครื่องตามมาเช่นอย่างคนที่มีเงินมีทองมีความสุขพอรั้ น, ก, ก, น, น, น, นก็ต้องการอยากได้อำนาจหรือว่ามีอำนาจเท่านี้แล้วเนี่ยเก็ต้องการอยากได้อำนาจให้มันสูงยิ่งขึ้น เป็นในร้อยแล้วก็ต้องการในพันในพันก็ต้องการในพลในพลก็ต้องการไม่รู้อะไรเราก็ไม่ใช่เป็นทหารเราก็อธิบายไม่ถูกคือความก้าวหน้าอนนี้มันจะเกิดขึ้นในระยะจิตก็เช่นเดียวกันที่คนทำจิตเนี่ยพอมันลดระดับอารมณ์ลงมากเข้ามากเข้าจนกระทั่งพบความสุขแล้ว ความคิดว่าเราจะต้องทอํ า, อ ย, าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยมันก้าวหน้าขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องมีคนยับยัง้งบางทีเอ่ก้าวไปออาจารย์ที่ไม่เข้าใจนะเขาบอกอย่างนี้ดีแล้วเอาเลยนี่ดีดีซะเอาเลยเอาทีนี้ก็นิมิตรไปเห็นเทวดาเลือไปนิมิตรเห็นยักบยักบก็พาไป เทวดาก็พาไปถามอาจารย์บอกว่าเป็นไงอยักพาไปเทวดาพาไปเฮ้ยไปก็เทวดาดีกว่าพอพาไปถึงไหนเข้าไปเลยเทวดาก็พากันไปไปก็ไปถึงถาว่าอะไรก็ไม่รู้ลอยอะไรก็ไม่รู้โอยสนุกจังเลยสนุกจังเลยก็อยู่เลยเได้สักสามสีชั่วโมง เพื่อนก็ไม่ลืมตาที่เพื่อนไปถึงนู่นแล้วเอาจิตกลับไม่ได้เพราอจิตกลับไม่ได้สติหายแล้วทีนี้พอสติหายเป็นอะไรเคลิม้มทีนี้มันก็เกิดว่ามาทําสมาธิทําไมคนถึงจะต้องมาเคิ่มมาทําสมาธิทําไมคนถึงจะต้องมาสติเสียเช่นนี้อันนี้คือสิ่งที่คนกลัวหนักหนา เราก็เป็นสิ่งที่เขาทำหนีสมาธิว่าทานสมาธิสิแต่กคนดีๆอยู่โยกๆเป็นสาวอยู่ด้วยเป็นนมอยู่ด้วยสมควรที่จะก้าวหน้าโอ้โหทาเป็นคนขึ้นขำเลยไม่พูดก็ใครในที่สุดก็สติเสียไปกว่าจะเอาคืนมาได้เก็บตายเพราะฉะนั้น เมื่อมีนิมิตเกิดขึ้นเอ๋บอกว่านี่คือภาพหนึ่งท่เกิดจากอุปสงค์ภาพที่เกิดจากอุปสงค์ก็คือภาพที่ฝังไว้ในจิตนี่ภูเขาไม่ใช่ไปภูเขาลอยยินทนนหรือภูเขาเขียวหรือภูเขาภูกระดึงไม่ใช่อ่ามันเกิดขึ้นอยู่ในจิตของบุคคลนี้ต่างหากเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตของบุคคลนี้ มันก็ไม่ใช่ภูกระดึงมันก็ไม่ใช่ดอยอินทนน์แต่ว่ามันเ ก, ก, กิดขึ้นจากจิตเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเกิดวิปรภาพลาดเคลื่อนจิติหยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจยงบอกว่าเมื่อเกิดนิมิตอย่าไปเชื่อมันนะเราทำตัวรู้ไว้ใครคือผู้รู้ทีเดียว่านั้นนิมิตเนะี่ยถอยหลังเลย หรือแม้จะเป็นภูเขาเป็นอะไรก็ละลาจริงไปซะเพราะว่าเราทำสมาธินั้นไม่ได้ต้องการในเม็ดไม่ได้ต้องการเทวดาไม่ได้ต้องการไม่ต้องการพลังจิตไปเดียวมากไปต่อมาก็คือข้อบกพร่องแม้่เราทราบว่าความดอึดดำที่เกิดจากสมาธินั้นจะต้องพบกับปวังที่พัก เป็นธรรมดาแต่จะต้องทราบ ว, ว่าการพักของผวังนั้นคือการเข้าสู่อทิสมานกายณนะที่นี้จึงมีปรากฏการณ์ต่างๆขึ้นตามจังหวะหมายถึงภาพนิมิตต่งางๆจะถูกขยายภาพเข้าสู่ผวังอย่างมากมายจึงมีทั้งสาระและไรสาระแต่ผวังก็คือผวังต้องเป็นเพียงที่พัก กับการจะจัดการอย่างไรเราจะจัดการยังไงก็ ก, การนอนหลับของเราเราก็ต้องปล่อยปล่อยให้มันตื่นเองอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าหลับแล้วหลับจกนกระทั่งสวันสีวันอย่างนี้ไม่ได้อันนั้นปิดแล้วแต่การหลับที่เราจะให้มันยังไงหมอก็ก็ตอบบอกว่าไปเดี๋ยวมันก็จะเป็นความดันต่ำาท่านั้นเอง อย่านีะความดันต่ําก็ตายหมายความว่างานตายเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเาวังก็เช่นเดียวกันเมื่อเราจะทำ อ, อะไรต่างๆนี่พอเข้าเขาวังนี่มันจะไปเกิดขยายขยายภาพภาพที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยเมื่อจิตทําสมาธิเข้าเาวังเนี่ยมันจะไปขยาย เ, เช่นอย่างว่า เราเคยสร้างภาพนรกไว้อย่างสร้างภาพนรกนี่เราไปดูที่ทางผนังโบสถ์อย่างนี้เห็นเทวะวาไม่ใส่เสื้อบ้างเห็นนรกมีไฟบ้างอะไรอย่างเนี้ยอันนั้นไปเห็นภาพนิ่งแต่พรานั้นฉายภาพนั้นเข้ามามากเข้ามากเข้ามาเข้าเนี่ยถ้าวังจะขยายภาพเหล่านี้กลายเป็นภาพวิ่งคือเป็นมูวิ่ง หมายความว่ามันเดินได้อ่ว่างั้นเถ อ, อะเรียนภาษาอังกฤษจะจะลืมภาษาไทยล่ะอ <c oughs> ทีนี้แม่แต่ก่อนมันเดินไม่ได้เร า, าอยู่ฝาผนางนะังโบสถ์น่ะแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้พอเวลามันเข้าประวังเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดการขยายภาพอ่าอันนี้อันนี้นักศึกษาพ า, ากันฟังหลวงพ่อให้ดีๆเพราะว่าต่อไปจะไปเป็นครูบาอาจารย์อย่าทําเพี้ไม่ได้ ทีนี้เมื่าเป็นเช่นนั้นการไปขยายภาพเนี่ยเอมันไม่ใช่ว่าอดีเสมอถ้าว่าไม่ดีมันก็มีดีมีดีอยู่มีดีอยู่เนี่ยก็เรียกว่าเช่นอย่างอไปขยายภาพโ อ, อ้เออมันอาจจะมีในสิ่งที่เออันตรายอยู่ที่นั่นที่นั่นที่นั่นอย่างเนี้ย อันนี้มันจะมีเฉพาะบางคนอาจจะไม่มีทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาที่ขยายภาพที่เป็นสาระเรายอมรับแต่ว่ายอมรับในฐานะเป็นนิมิตไม่ใช่ว่ายอมรับในฐานะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าประโยชน์นั้นเราต้องการพลังจิต น, นั่นเป็นสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าพอเวลาเรานอ น, อนหลับเนี่ยลองคิดดูสิ เออทำทั้งหลายนอนหลับฝันโอ้โบางทีเหนื่อยเลยไม่รู้วิว่งไล่ใครก็ไม่รู้หรือว่ามีจิตประวัติถึงใครสักคนหนึ่ง น, นอนหลับเขาก็ม่คิดถึงมากนะในใจอะ่ะพอหลับก็ไปเลยแบบแหมวิ่งไล่กันทัาตายอย่างนี้เป็นต้นมั่นก็มีนะเพราะฉะนั้นไ อ, ไอเรื่องของอย่างนี้ เราต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการที่แท้จริงสิ่งที่ต้องการที่แท้จริงคือพลังจิตอย่างนี้ข้อที่เจ็ดอาการภายนอกภายในเกิดขึ้นอาการนี้จะตื่นเต้นเมื่อเกิดสิ่งดีจะหวาดกลัวเมื่อเกิดสิ่งร้ายจึงจำเป็นจะต้องทราบภายใน คืออาการนิมิตที่เกิดขึ้นในผวังต้องทราบว่านี่เป็นเพียงกิริยาจิตอาการภายนอกหมายถึงการแสดงออกอันนี้ต้องระวังเพราะว่าพอเวลาเข้าผวังไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีสติเมื่อไม่มีสติก็เต้นเต้นทั้งเต้นทั้งสรันอะไรๆต่างๆเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงคือควบคุมไม่ไหวอันนี้ต้องระวัง <c oughs> ถ้าเป็นอาการ ส, สงบเสงียไม่กระทบกระทั่งใครก็ถือว่าดีแต่ถ้าเป็นอาการแสดงโลดโผนเกินไปก็ไม่ดีอาการนั้นนั้นจะต้องอยู่ในดุลพินิจของสติและปัญญาหมายความว่าเรานั่งสมาธิเราก็ต้องนั่งสมาธิไม่ใช่นั่งสมาธิแล้วเอาหัวไปโชนใครอย่างเงี้ยมันอาการนั้นมันไม่ได้ถึงเข้าพวังก็จริง จะเข้าพะวังไปเจีายวชนเขาบางทีก็ลมทับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดิ้นเป็นเตะเขาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสั่นกระดึ้งกระดังอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ลืมตาซะให้หยุดแล้วก็ค่อย ต, ตั้ตนใหม่ <c oughs> ออข้อที่แปดต่อไปการเชื่อถื อ, อเวลาไปที่ไหนอะไรเนี่ย เราต้องเอาให้จบอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันต้อง question mark ไวอ่าแปดการเชื่อถือเราจะต้องไม่เชื่อในอาการเหมือนผีบอกหรืออย่างที่มีอะไรมาบอกเวลาทำสมาธิอย่างนั้นอย่างนี้เชื่อยังไม่ได้เพราะของจริงไม่ต้องมีใครมาบอกมันต้องพบเองและข้อนี้มีเยอะ เพราะว่าคนนั้นมาบอกว่าคนนี้มาบอกว่าอะไรตออะไรเนี่ยมันจะมากมายกายกองแต่ว่าสิ่งจริงๆนี่ถ้าหากว่าบอกก็เหมือนกับคนเนี่ยเออเข้ามาบอกลอตเตอรี่เราอย่างเงี้ยมันไม่จริงมันบอกแค่เฉยไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงนั่นคือตัวถูกอ่ามันเป็นอย่างงั้น <c oughs> อ่ามาบอกว่ามันไม่จริงอ่ ะ, อ, ะอย่างเอ่ะอย่างคิดเขามาบอก ว่าโอ้ยขายนั้นได้เท่านั้นขายนี้ได้เท่านี้ก็มีมาบอก่ะเพราะว่าแต่ว่ามันไม่ใช่ของจริงนะของจริงมันอยู่ที่เอ่ที่เราไปพบเพราะฉะนั้นเออบางทีมาบอกว่าเออนี่แล้วธรรมะชั้นสูงแต่ธรรมะชั้นสูงนันคืออะไรมันจะต้องมีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาบอกนั้น อย่าไปเข้าใจว่ามีตัวมี ต, มตนที่ไหนที่ไหนมาบอกนะใจของเราเนี่ยมันกลับมาบอกตัวเราเองี่คล้ายๆว่าเราหลอกตัวเราเองอย่างนี้เป็นต้นก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วอารมณ์นี้ก็ไปสร้างสร้างภาพขึ้นพอสร้างภาพขึ้นมันก็มาบอกอะไรนี้่คล้ายก็อย่างนั้นเพราะฉะนั้น อันสิ่งที่มาบอกนั้นจําเป็นที่จะต้องมีสติมีสติถามว่ามันมาจากไหนเป็นใครพอถ้าหาว่ามันเป็นตัวปลอมมันก็จะหายตัวไปทันทีแต่มันก็าอาจจะเป็นตัวจริงเป็นบางครั้งเราก็ยอมรับแต่ว่าเป็นตัวจริงนั้นมันจะต้องมีสติไม่ใช่ว่ามาบอกแล้วก็เชื่อเลย อนนันอาการที่แปดนี้ก็ถือว่าต้องระวังไว้เป็นอันหนึ่งทีนี้ข้อที่เก้าอาการฟั่นเฟือนสิ่งนี้คือความละเมอเพ้อฝันอันเกิดจากนิมิตนา น, นัปการซึ่งนิมิตนั่นคือการฉายภาพในใจของบุคคลเท่านั้นถ้าเชื่อจะเกิดการฟั่นเฟือนได้ อันนี้ก็ต้องจําเหมือนกันนะเ อ, อเราต้องเอาไปหาแล้วก็แล้วก็จะต้องไปจําจําว่าในการท่านเพลินนี่มันคือระความละเมอเราจะคิดว่าความละเมอความเพ้อ อ, อคือว่าเมืนึกวดกตัวเราสําเร็จไปแค่นั้นหรือว่าเราเนี่ยได้อะไรขึ้นมาแล้วแหมเรานี่ยิ่งใหญ่อะไรเนี่ยมันจะมีอาการเพ้อชนิด อันนี้เราจ ะ, จะย้อนกลับไปพูดถึงตอนที่เป็นปีติเนี่ยปีติเนี่ยมันจะสบายจริงๆเลยทีเนี่ยพอมันสบายจริงๆเอาถือเอาตรงสบายอันนั้นอ่ะมาเป็นอาการของการเพลอการเพลอตัวเนี้ยเป็นตัวจุดอันตรายคนที่ทำสมาธิแล้วฆาดตัวตายเนี่ยก็คือตัวเพลอเนี่ยเพราะว่าความมีสติไม่พร้อม มันมีสติไม่พร้อมมันตายดีกว่ามันสบายอยู่นี่นี่นี่คือข้อที่เราจะต้องอธิบายให้เคนใจและต้องประมัดระวังเสียด้วยเพราะความเพลินี่เอความเพลินความเพลในความดีก็จริงแต่มันอิดจช่นว่ามันสบายมากอย่างนี้นแล้วเราก็เพลิตามความสบายนั้นอันนี้อธิบายให้ฟังต่อไปคือข้อที่สิบ อาการเหมือนทำมาบอกอันนี้ต่อนเนื่องมาจากข้อที่เก้าเพราะว่ากริยาอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นกับผู้ทมสมาธิเข้าพวังเหมือนอาจารย์องค์นั้นองน์นี้พระสงฆ์ต่างๆมาบอกทำชั้นนั้นชั้นนี้ข้อนี้ข้อนั้นอันนี้ยังต้องเชื่อไม่ได้พระอาจารย์ท่านไม่ไปเชื่อ เไปเชื่อวบอกใครอองไปบอกนั่นอาจารย์นั่นไม่ไหวอ่ะหลวงพ่อก็เหมือนกันเชื่อวไปอยู่ก็ใครไม่ได้รับ อ, อันข้อนี้เราต้องเข้าใจว่ามันเกิดจากอุปสม์คืออุปสงค์เนี่ยต้องเข้าใจว่าอย่างนี้ว่ามันฝังเข้าจิตนึกนีนักเรานี้นึกนึกนึก หนึ่ 2, นึกสอง 3, นึกสามนึกสี่นึกร้อยนึกอะรมันก็นึกแล้วทีเนี้วก็ออกมาเป็นนิมิตอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเราถือว่าสิ่งนั้นก็คือนิมิตอันหนึ่งแต่ว่าบุคคลผู้ที่ทําไปเช่นนั้นได้นั้นเราต้องถือว่าเข้าเป็นสมาธิแล้วแล้วก็เป็นสมาธิดีเช่นด้วยอย่างเนี้ยแต่ว่าของดีต้อง ร, รัก ษ, ษาของดี เราจะต้องรู้ว่าควรจะหยิบหรือไม่ควรหยิบอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้มาถึงข้อสิบเอ็ดาการเข้าใจผิดเพราะจิตที่เกิดสมาธิมากขึ้นนั้นมันเยอเือกเย็นเป็นพิเศษนักลึกล้คำคัมภีรภาพสุดแสนจะพัร น, นาได้แต่เข้าใจผิดว่าเราได้สำเร็จชั้นนั้นชั้นนี้ ตลถึงอริยะบุคคลจนถึงพระอระหันต์อย่างนี้ต้องพิจารณาให้ดีอย่าคาดคะเนเอาจะเข้าใจผิดเพราะการถึงขั้นนั้นขั้นนี้ไม่มีใครบอกจะเกิดเองเห็นเองเข้าถึงเองรู้เองเพราะเต็มบริบูรณ์ของสมาธินั้นต้องเต็มเองรู้ได้เฉพาะตัวโดยการเข้าถึงเท่านั้นอันนี้ยืนยัน คือข้อนี้ยืนยันว่าอย่างที่เรารับประทานอาหารเนี่ยอิ่มนั่นคือความพอใครเราเป็นผูร้รู้เราเองรู้ว่าอิ่มคนอื่นจะมารู้แทนเราไม่ได้แต่ทีนี้ข้อสำคัญน่ะยังไม่ทันอิ่มก็ไปตะโกนว่าอิ่มอันนั้นมันก็เป็นการหลอกตัวเองเพราะฉะนั้น เอความสบายของสมาธิเนี่ยมันก็เหมือนเราเนี่ยพ้นไปจากทุกข์จริงๆหรือสําเร็จจริงๆถ้าหากว่าสําเร็จจริงๆเนี่ยเขาไม่เขาไม่มาตะโกนแล้วก็ไม่ขวดบอกใครอ่ะเขาจะรู้เองไม่ไม่บอกใคร แ, แต่คนที่ไปเที่ยวบอกคนโน้นคนที่ประกาศอย่างโ น, น้นอย่างเงี้ยคนนั้นคือคนไม่สําเร็จแต่คนที่สําเร็จจริงๆอ่ะ เขาไม่บอกใครหรอกเราก็คิดเอาอย่างนี้กันแล้วกันว่าในการสําเร็จต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนของความสําเร็จพอทํามาถึงนี่พอทํามาถึงนี่ไอ้จิตเนี่ยมันจะรู้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงบอกนักศึกษาทุกคนว่าใครคือผูร้รู้นี่แหละเป็นตัวอาจารย์ที่สําคัญที่สุดวันนี้คงจะ หรือว่านับหน่อยอธิบายตอนนี้เนี <c oughs> ่ยต่อไปก็นิมนต์พระกิติชัยจันโทพาโูกราบนมันสการพระอาจารย์หลวงพ่อครับการที่เราตั้งจิตอธิษฐานสิ่งใ ด, ง ส, งดสิ่งหนึ่งบ่อยๆครั้งจะเป็นการตอกย้ำจิตหรือไม่และจะมีผลต่อสมาธิอย่างไรบ้างครับ การอธิษฐานตั้งอธิษฐานในทางที่ถูกต้องเช่อนอธิษฐานว่าให้ท้าวเจ้าได้สมาธิหรืออธิษฐานว่าในชาตินี้ขอทําสมาธิหรืออธิษฐานว่าถ้าเมื่อได้มีเวลาใดที่มีโอกาสก็จะทําสมาธิตอบย้ําบ่อยๆเป็นผลอย่างยิ่ง แต่ถ้าจะอธิษฐานว่าคนนี้มันมาด่ากูกูจะต้องจัดการมึงอธิษฐานมันทุกวัน ท, ที่นี้อันนี้ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการอธิษฐานก็มีอยู่สองอย่างคืออธิษฐานไม่ดีก็อย่าอธิษฐานถ้าสิ่งที่ดีก็อธิษฐานการอธิษฐานก็จะเป็นผลสาเร็จได้ แล้วจะมีผลต่อสมาธิอย่างไรบ้างครับหลวงพ่อครับอธิษฐานก็มีผลต่อสมาธิเพราะอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าใครคือผู้รู้และให้ถาม ท, ทุกวันนั่นคืออธิษฐานกลับมามาตการครับต่อไปขนิมนท์พระครูสังขรารถวันจักกะวะโร น้ำมัสการประเดชพระคุณหลว <c oughs> งพ่อครับผมรู้สึกโชคดียินดีที่มีโอกาสได้มาเรียนวิชากูสอนสมาธิกับเดชคุณพ่อเพราะว่ารู้สึกว่าการเรียนรู้หลักการวิธีการทำให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติทำจยิงๆไปโดยเฉพาะ ได้มาเรียนรู้ปฏิปทาและวิธีการหลักการของพระเดชพุณหลวงพ่อ่าที่ได้ปฏิบัติธรรมมาเป็นเวลาอันยาวยานานอันนี้กระผมคงจะอาจําไม่เป็นตํานานเพื่อจะเล่าให้อาณุนชนรุ่นหลังได้ฟังต่อไปเพราะว่าอย่างพวกกผมคงจะไม่มีโอกาสที่จะไปเรียนรู้หาประตบการณอย่างพระเดชพุนหลวงพ่อเพราะว่าการที่พว ก, กผม มาเรียนสมาธินั้นออกจากวัดมาก็นั่งรถมาพอมาถึงที่เรียนก็นั่งเรียนในห้องแคร์รู้สึกว่าสะดวกสบายกระผมก็อยากจะฝากเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าอาการที่ปฏิบัติธรรมตามธรรมชาติตามป่าตามเขาแล้วก็การปฏิบัติธรรมในห้องแคร์นั้นจะมีผลอ่าต่อมรกผลเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรครับหลวงพ่อ นี่เห็นไหมพระเขาถามก็จะถามอย่างนี้อะเอาอาก็มักผลเลยอ่ะ <laughs> ที่จริงแล้วนั้น อ, อยู่จิตใจถ้าหากว่าไปอยู่ในป่าแต่จิตใจนั่นน่ะไม่ศรัทธามั่นคงมันก็ไม่ได้ผลแต่ถ้าหากว่า อยู่ในป่ามีจิตใจมั่นคงก็ผลก็เกิดขึ้นแต่อยู่ในห้องแอร์หรืออยู่ในที่สุสบายนั่งสมาธิก็อยู่ที่ใจได้ผลเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าร่างกายนี้เป็นตัวประสานงานะถ้าไม่มีร่างกายนี้ ก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปทำสมาธิเพราะร่างกายเป็นตัวประสานงานจึงจาเป็นต้องอบรมร่างกายให้พอดีพอเหมาะร่างกายถึงจะประสานงานให้ถึงใจได้ยกตัวอย่างเช่นอาหารเป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงร่างกายถ้าเราไม่ให้อาหารที่ถูกต้องและเหมาะสม การไปปฏิบัติบนภูเขาหว่าไม้ก็คงไม่ได้อะไรเช่นเดียวกันกับพระภิกษุหกสิบโที่เคยเล่าให้ฟังแต่ถ้าหากว่าเขาได้รับอาหารเต็มที่พระเหล่านั้นท่านก็ได้สําเกตใหม่เช่นเดียวกันกับการเราดูแลร่างกายของเราโดยห้องแอร์ ก็คือเราทำตัวประสานงานนี่ให้มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็คิดเอาเองไปแล้วกันว่าการประสานงานที่ดีนั้นจะได้คนอย่างไรตอบีัญราพระมงคครับอริอนนมลพระชุมคนเพิ่มื่น าการธรรมสถานพระอาจารย์เวลาเราทําสมาธิเวลานั่งไปนานๆแล้วมันเกิดความร้อนภายในภายในจิตใจเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับมันร้อนอย่างไอะมันร้อนเหมือนกับถ้าไฟขึ้นมาเนี่ครับแล้วเวลาออกจากสมาธิแล้ว ร, รู้สึกว่ามันจิตใจว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับเวบางทีก็ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ไม่ค่อยได้ครับ บางวันก็ดีบางวันก็บางวันก็บนกบนกแบบใจเสียอยู่เรื่อยครับอันนี้ก็ต้องอาศัยสติสติเคือตัวผู้รู้ผู้ผูรู้ก็คสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอะไรคือต้นเหตุพระว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าทั้งทั้งหลายเกิดจากเหตุ ทำทั้งหลายเหล่านั้นก็จะต้องกลับไปเพราะเหตุเหมือนกันกับความหิวเมื่อเกิดขึ้นเราจะเอาของอื่นมาแก้ไม่ได้ต้องกินอาหารลงไปมันถึงจะอิ่มออันนี้คือก็นเหตุเหตุเกิดอะไรเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นมันมีสาเหตุอยู่ สองอย่างคืออารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ร้ายที่ฝังอยู่ภายในจิตใจเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นอย่างนั้นเราก็ต้องตามฆ่าอารมณ์หรือตามระงับอารมณ์เมื่ออารมณ์มันสงบไปแล้วความเย็นก็เกิดขึ้นจิตก็สงบใจอตามนี เอายังไงก็ต้องเอากระวัดนาสกุ้วยขอหนึ่งคนเห้ยจให้เรียนถามเอ่ออยากเรียนถามอาจารย์ว่าการที่เราไม่สามารถรักษาศีลให้ได้เราจะจะเป็นผลทำให้ความล่าช้าในการปฏิบัติ วาที่พักการมีศีลที่ไม่บริสุทธิ์จะเป็นการทำให้สมาธิละช้าหรือไม่ามอย่างนี้ใช่ไหม <Okay. S 1> ก็ทำให้เกิดความราช้าได้เพราะว่าศีลเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตการที่เราจะรักษาศีลห้าก็จิตของเราเป็นตูวบรักเราจะรักษาศีลแปด จิตวิรัตรักษาศิลนสิบจิตวิรัตรักษาศิ้นสงังขารยี่สิบเจ็ดจิตมีรัตวิรัติแปลว่าอะไรวิรัติแปลว่าการงดเวน้นจิตเนี่ยจะต้องไปตั้งความ ง, งอดเว้นไปเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไปฆ่าสัตว์เนี่ยหรือไปขโมยของคนอื่นนย่เนี่ยจิตจะไม่วิรัติเมื่อจิตไม่วิรัตนี่จิตจะเกิดความขุ่นงัว เกิดควารขุ่นโม้เมื่อเกิดการขุ่นโ ม, มวแล้วกว่าแต่จะลบไปความขุ่นโม้นี้ออกก็ต้องใช้เวลาแต่ทีนี้คนที่ไม่ไปฆ่าสัตว์หรือไม่ไปไปพูดผิดคิดร้ายอะไรอย่างนี้ไอ้ความขุม่นโนี้ไม่มีพอทําจิตอันนี้นไม่ต้องมาล้างให้เสียเวลาก็จิตก็เข้าไปได้เลยนี่คือลักษณะของศีลเจ เมื่อไม่บริสุทธ์แล้วมันก็ทำให้เกิดความราชาได้ก็เป็นอันวาดจบ <c oughs> ด้วย <c oughs> จบอย่างงดงาม